มันมีข้อถกเถียงระหว่างคน2กลุ่มซึ่งก็มีความเชื่อแตกต่างกันในเรื่องของพูดผีวิญญาณที่ยังคงหาข้อยุติไม่ได้แม้ว่าข้อขัดแย้งดังกล่าวนะคะจะเกิดขึ้นมาได้เนิ่นนานแล้วก็ตามบทสรุปของเรื่องทำนองนี้นะคะก็เลยขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นจะเคยพบเห็นปรากฏการณ์วิญญาณหรือไม่เพราะว่าผู้ที่ไม่เคยสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยก็ยากที่จะเชื่อนะคะว่ามีอยู่จริง ขณะที่ผู้ที่เคยสัมผัสมาแล้วต่างก็ยืนยันหนักแน่นค่ะเนื่องจากว่าพวกเขาเหล่านั้นก็เคยเจอกันมาด้วยตัวเองแล้วหนึ่งในผู้ที่เคยประสบการณ์สยองเกี่ยวกับวิญญาณก็คือคุณตรีรักปรีดานิรัน์ค่ะ ซึ่งก็เป็นพนักงานแคตเชียร์ในคอฟฟี่ช็อปของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านสะพานควายนะคะซึ่งเธอก็ได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ระทึกขวัญอันเกี่ยวกับการปรากฏของวิญญาณอย่างชนิดที่เรียกว่าเจอกันแบบเต็มๆ ม, มาแล้วและหลังจากที่เธอได้พบกับเหตุการณ์ระทึกขวัญดังกล่าวก็ได้ทำให้เธอเนี่ยต้องเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเรื่องราวของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา เรื่องราวอันเป็นประสบการณ์ระทึกขวัญของแคทเชียร์สาวสวยซึ่งเธอได้นํามาเล่าสู่กันฟังนั้นนับว่าไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะหากใครก็ตามที่เคยเจออย่างเธอบ้างก็คงจะต้องอกสันขวัญแขวนไปตามๆกันก็เพราะว่าสถานการณ์ที่เธอประสบพบเจอมานะคะก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นอกจากนั้นจะทําให้เธอมีความเชื่อในเรื่องของโลกวิญญาณแล้ว เธอก็ยังมีความเชื่ออีกน ะ, ะ่ะว่าคนที่ได้เจอผีนั้นเนี่ยถือว่าโชคดีค่ะไม่ใช่เจอผีแล้วดวงตกเหมือนกับหลายคนเคยพูดกันเพราะเธอเชื่อว่าวิญญาณเหล่านั้นมาปรากฏให้เห็นก็เพราะว่าต้องการขอส่วนบุญซึ่งคนที่มีบุญเท่านั้นที่จะพอแบ่งปันบุญให้กับพวกเขาได้เรื่องราวที่เธอนำมาเล่าสู่กันฟังครั้งนั้นนะคะคุณตรีรักค่ะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งเธอก็ได้ถ่ายทอดให้ฟังดังนี้ค่ะ คุณตรีรักบอกว่าทำงานเป็นแคชเชียร์ในคอฟฟี่ช็อปที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวสะพานควายส่วนมากก็จะเข้ากะเย็นเลิกงานสองยามแต่โชคดีที่บ้านอยู่ใกล้ๆ ก, ก็คือริมคลองประปาถนนพระรามหกนี่เองนะคะแม้ว่าตอนกลางวันจะมีรถพลุกพล่านไปหน่อยแต่ว่าต้นไม้เขียวขจีริมคลองก็ทำให้รู้สึกร่มรื่นดี เวลาที่คุณตรีรักมาทํางานนะคะก็คือขาไปค่ะก็จะขึ้นรถฝั่งตรงข้ามส่วนขากลับน ะ, ะก็จะลงรถเมลแล้วก็เดินไปหน่อยนึงเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานข้ามคลองประป่าก็เข้าบ้านได้ละคุณตรีรักอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะคะ่ะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเพราะว่าบ้านเรือนหนาแน่นแล้วก็มีร้านอาหารอร่อยๆอย่างร้านอาหารอีสานร้านอาหารเวียดนามผู้คนก็มักจะขุนหน้าขุนตา ก, กันทั้งนั้น แล้วก็ตอนเดินเลียบถนนก็จะเห็นคนนั่งพักกันที่เก้าอี้ยาวน่าสบายนะหนุ่มสาวก็นั่งพรอดรักกันบ้างคนชราแล้วก็เด็กๆ ก, ก็นั่งเล่นกันบ้างบางวันก็มีคนจอนจัดนั่งๆั่งนอนๆอนอยู่ด้วยนะคะคุณตรีรักบอกว่าบอกตรงๆค่ะว่าดิฉันสงสารพวกเขาเหมือนเป็นญาติเป็นเพื่อนร่วมโลกหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นคนไทยด้วยกัน เห็นข่าวว่าบ้านจัดสรรปีนี้ขายดีมากราคา 2-3 ล้าน้ายหมดตอนนี้บูมเรื่องคาริหาสค่ะราคา 30-50 ล้าน ดอกเบี้ยธนาคารจะขึ้นก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามหาเศรษฐีพวกนี้เนี่ยท่านซื้อด้วยเงินสดแทบทั้งนั้นส่วนคนจรจัดอีกนับร้อยนับพันค่ะยังไรที่สุกหัวนอนไม่มีร่มไม้ชายคากันแดดกันฝนย่มคํำคืนก็นอนขดนอนตากยุงตากน้ำค้างตามข้างถนนใต้ต้นไม้ถ้าฝนตกเปียกปอนหนาวสั่นงินงกแถมยังอาจจะหิวโหวยจนแสบท้องสมารอยู่ตามข้างถนนไปวันๆจนกว่าจะสิ้นเวร หลายคนก็หลับตายค่ะกลายเป็นศพไม่มีญาติน่าสลดใจคงไม่ใช่ความผิดของใครหรอกนะคะคนรวยก็ต้องหาความสุขใส่ตัวบำเรอตนเองแล้วก็ครอบครัวส่วนคนจนมากๆ ก, ก็ต้องกลายเป็นฝุ่นเป็นทุลีอยู่ข้างถนนก็เป็นเรื่องธรรมดาตัวของดิฉันเองแม้จะเวทนาแล้วก็หดหู่อยู่เมื่อมองเห็นแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าไม่อยากเข้าใกล้คนจนจัดที่ส่วนมากจะสกระปรกมีผ้าขี้ริ้วพันกายแถมหน้าตายังดูน่ากลัวอีกต่างหาก ลหลายคนค่ะก็ไม่แน่ใจว่าวิกลจริตหรือเปล่าเพราะว่าเห็นในตาเนี่ยขุ่นขวางจ้องมองเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแต่ก็อีกหลายคนที่มีในตาเหมือลอยคล้ายไม่สนใจใครทั้งนั้นบางคนก็พูดอยู่นคนเดียวหัวเราะอยู่คนเดียวจนต้องรีบเดินหนีไปแกลไกลส่วนมากนะคะเมื่อเห็นคนจรจัดตามเก้าอี้ข้างถนนในตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันค่ะบางคนก็เที่ยวเดินเก็บเศษขยะไปขายบ้างคอยรอเช็ดกระจกรถยนต์ที่ติดไฟแดงบ้าง พวกนี้จะดูสะอาดสะอ้านกว่าเพื่อนมีอยู่คืนนึงนะคะคุณผู้ฟังคุณตรีรักบอกว่าเลิกจากการทำงานแล้วก็เดินผ่านคนจรจัดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายผอมเล็กผิวดำเกรียมอยู่ๆก็ยืย่นมือออกมาจนคุณตรีรักเนี่ยบอกว่าหูดิฉันสะดุง้งเงยหน้าพึมพาบ่นอะไรเบาๆก็เลยเปิดกระเป๋าถือนะคะว่าจะหยิบเศษเหรียญห้าให้แกแต่นึกยังไงไม่ทราบ กลับไปหยิบใบ20บาทส่งให้แล้วก็บอกว่าเอาไว้ซื้อข้าวกินนะลุงแกก็เอื้อมมือสันส่นๆมารับทำปากขมุบขมิบคลายจะให้พรค่ะขณะที่คุณตรีรักเดินออกมาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆค่ะดังมาจากข้างหลังหันขวับไปก็เห็นผู้ชายสองคนในชุดสีทึบท่าทางไม่น่าไว้ใจเดินตามมาติดๆแม้ว่าจะไม่มีของมีค่าติดตัวแต่เพื่อความปลอดภัยของตัวเองค่ะนอกจากมือถือที่อยู่ในกระเป๋า ก็อดใจสั่นไม่ได้เพราะว่ามีข่าวบ่อยๆว่ามีการทําร้ายผู้หญิงปางตายเพียงเพราะว่าจะเอามือถือไปขายพวกคนร้ายก็คงมองไม่เห็นหรอกนะคะแต่ว่าถ้ามันคิดว่าเรามีสร้อยหรือว่ามีเงินมีทองล่ ะ, ะคุณตรีรักบอกว่ากําลังจะหันกลับก็พอดีเห็นชายจรจัดที่เพิ่งจะเอนร่างลงนอนเนี่ยกลับลุกพรวดพลาดขึ้นมาพร้อมกับไม้เท้าในมือขณะที่รถยนต์สองสาคันแล่นผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจชายทั้งสองหยุดชะงัก เพราะว่าโดนขวางหน้าคนหนึ่งร้องด่าเสียงดังแล้วก็คำรามใส่บอกไปให้พ้นไอ้แก่อยแสหาเรื่องจะดีกว่าคนจรจัดท่าทางอ่อนระหวยรยแรงเมื่อครู่ค่ะก็ใช้ไม้เท้าดำๆนี่แหละฟาดลงที่เก้าอี้ดูขึงขังหน้าเกรงขามผิดไปกับเป็นอีกคนละคนเลยชายทั้งสองคนพังอะ่ะหน้าตาเหลือกลานร้องเอะอะโวยวายค่ะหันกลับได้ก็วิ่งหนีไม่คิดชีวิตแทบจะได้ยินเสียงฝีเท้าดังคึกๆึ ก, กมาเข้าหูเลยนะคะ คุณตรีรักยืนตะลึงแทบจะไม่เชื่อตาตัวเองพอดีคนจอนจัดหันมามองแล้วก็โบกมือไล่ตามด้วยเสียงที่พอเดาได้บอกว่า <_ d> um> ไปรีบไปซะจําสิคะคุณตรีรักกบอกอยู่ทําไมล่ะนึกอยู่ว่าถ้าไม่ได้คนจอนจัดขวางไว้เรื่องร้ายๆอาจจะเกิดขึ้นก็ได้พอวันรุ่งขึ้นไปทํางานนะคะเ <_ d> um> พื่อนที่อยู่ในชุมชนหลังวัดไผ่ตันก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีขี้ยาในย่านนั้นสองคนเนี่ยถูกผีขอทานมาหลอกที่ริมคลองปลาตา ใกล้ๆ ก, กันกับสี่แยกบดิพัฒนจนแทบตายเลยตอนเช้ายังเพอ้ออยู่แต่บอกว่ามันลุกขึ้นจากเก้าอี้เอามื อ, อที่ถือไม้เท้าเนี่ยแต่ว่าหน้าเป็นหัวกะโหลกตากลวงโบฟังแล้วโอ้ยน่ากลัวคุณตีรักบอกไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีหรือว่าเรื่องสางสักเท่าไหร่ก็คิดว่าคงเป็นการบังเอิญมากกว่าแต่ว่าหลังจากคืนนั้น คุณตรีรักก็ต้องระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะเห็นคนจรจัดมานอนที่เก้าอี้ยาวๆแถวนั้นบ่อยๆแต่ว่าก็ไม่เคยพบกับผู้ชายจรจัดคนเดิมอีกเลยจนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะเกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงของพนักงานแคชเชียร์สาวสวยหน้าหวานนะคะสำหรับใครที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนลําพังเพียงคนเดียวได้ฟังเรื่องนี้แล้วคงจะหวาดหวาดกันทั่วหน้าเพราะว่าเราย่อมไม่มีทางรู้เลยนะคะว่า บางทีคนที่เราพบปะพูดคุยนั้นอาจจะไม่ใช่คนอย่างเราเราก็เป็นได้แต่ถ้าเป็นคุณจะรู้สึกอย่างไรหากต้องพบกับเหตุการณ์ตื่นเต้นระทึกใจแบบแคทเชียคนนี้ที่เล่าให้ฟังถ้าเจอผีใจดีแบบคุณลุงขอทานนี่ก็ดีไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเจอกันกับสองขี้ยานี้แล้วไม่มีผีมาช่วยหรือว่าเป็นวิญญาณของคุณลุงขอทานคนนั้นเนี่ยมาช่วยเข้าไว้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณตีรักจะเป็นอย่างไรนะคะ เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากคุณพี่ไลพรค่ะคุณพี่ไลพรนี่เล่าเรื่องขนหัวลูกจากคลองประปานะคะคุณพี่ไลพรบอกว่าดิฉันเคยเห็นแล้วก็เคยได้ยินเสียงจากพวกซาเล้งหรือว่าเจ๊กขายขวดมาตั้งแต่สมัยเด็กๆที่อยู่ดินแดนมาจนขึ้นใจ ทีนี้แล้วก็เคยนำมาล้อเล่นกับเพื่อนฝูงอยู่บ่อยๆด้วยความสนุกสนานตามประษาเด็กก็พูดกันเล่นหวัวเราะกันไปตามประษาบอกมีขวกมาขายโอ้ยมีขวบมีเศกเหล็กมีกาดากหนังสือหนังสือพิมพ์มาขาย ประมาณนี้นะคะจนกระทั่งเติบโตแล้วก็มีครอบครัวค่ะก็ย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแถวแถวริมคลองประปาก็ยังมีซาเล้งทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งหนุ่มแล้วก็แก่นะคะถีบรถเข้ามาในหมู่บ้านดีดกระดิ่งบ้างร้องเสียงดังไป3บ้าน8ดบ้านบ้างค่ะมีขวดมากขายมีกระดาษเก่ามาขาย แต่และบ้านล้วนมีกระดาษหนังสือพิมพ์กล่องนมแล้วก็กล่องทิชชู่ไปจนถึงขวดน้ำพลาสติกนะคะซึ่งเป็นลำไผ่ก็มีแล้วก็เป็นการระบายขยะรกบ้านก็มีคุณพิไลไยพรบอกว่าดิฉันเองนะ่ยยกขวดเปล่าให้สาเลงเจ้าประจําไปเลยจะคิดเงินบ้างก็เฉพาะหนังสือพิมพ์เก่าแล้วก็กล่องเปล่าเท่านั้นแหละนะคะเพื่อนบ้านบางคน ก็มาบอกด้วยความหวังดีว่าพวกซาเลงเนี่ยมักจะโกงตาช่างระวังไว้ให้ดีแต่ว่าคุณพี่ลายพรก็หัวเราะแล้วก็นิ่งเฉยซะเขาจนกว่าเราค่ะพูดแค่นี้พอจบทีนี้มาดูทางด้านของซาเลงเจ้าประจำของคุณพี่ลายพรกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคือจะเป็นคนจีนแก่รูปร่างผอมผอมผิวหนังเหี่ยวย่นนะคะแต่ว่าผมขาวโพลนค่ะชอบใส่หมวกแก๊ปสีแดงฟันฟางแทบจะหมดปากละ พวกซาเล้งคันอื่นๆก็มากันแต่เช้าหรือไม่ก็ตอนบ่ายจัดแต่ว่าตะแปะที่ว่าเนี่ยมักมาตอนเย็นค่ะก็ได้ยินเสียงกระดิ่งของแกก็จำได้ทันทีส่วนมากจะมาตอนบ่ายๆวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ที่คุณพี่ลัยพรก็หยุดงานแล้วก็อยู่กับบ้านต่อมานะคะก็มีข่าวว่าซาเล้ง บางคนเนี่ยทำตัวเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ก็เป็นคนร้ายปลอมตัวมาเป็นซาเล้งเห็นบ้านไหนไม่มีใครอยู่ก็ฉวยโอกาสเข้าไปหยิบฉวยเอาข้าวของมีค่าจนถึงกับบุกรุกเข้าไปจี้เจ้าของบ้านเลยก็มีเมื่อเรื่องนี้ขึ้นหนาหูนะคะทางหมู่บ้านก็ติดป้ายห้ามซาเล้งเข้าไปเด็ดขาดทีนี้ตะแปะ เจ้าประจำของคุณพี่ไลพรเนี่ยนะคะก็หายหน้าหายตาไปซึ่งอันที่จริงก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนหรอกเนาะเพราะว่าคนในหมู่บ้านต้องทิ้งขยะทุกวันอยู่แล้วตรงหัวมุมซอยบ้านของคุณพี่ไลพรเนี่ยก็จะมีขยะขนาดใหญ่ของกอทมอถึง3ถังค่ะสำหรับแยกประเภทว่าจะเป็นขยะเปียกขยะรีไซเคิลนะคะแล้วก็ขยะอันตรายค่ะแต่ว่าส่วนมากก็ทิ้งกันมัวซัวตามนิสัยตามใจของคนไทยแท้ หลังจากไม่มีซาเล้งเข้ามาในหมู่บ้านราวเดือนเศษคุณพิไลพรก็พบเรื่องแปลกประหลาดนะคะที่ชวนให้ขนหัวลุกซึ่งมีอยู่คืนหนึ่งกำลังเคลิ้มหลับเลยอยู่กับสามีแล้วก็ลูกชายวัยสามขวบก็มีเสียงคุ้นหูดังแว่วเข้ามาจนลืมตาตื่นแล้วก็นึกทบทวนไปว่าได้ยินเสียงอะไรกันแน่สักครู่เดียวค่ะเสียงนั้นก็ดังขึ้นจนได้ยินชัดเจนเป็นเสียงกระดิ่งของซาเลง้ง ตอนแรกนะคะคุณพี่ไรพรก็ยังงงๆอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าพึ่งจะงวงเงียขึ้นมาก็เป็นได้ก็เลยสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมซาเล้งถึงได้เข้ามาตอนดึกๆดืนๆแบบนี้แต่ว่าพริบตาต่อมาก็นึกขึ้นได้ค่ะว่าเขาห้ามซาเล้งเข้าบ้านแล้วนี่นาะเกือบจะเป็นเวลาเดียวกันนั่นเองที่จําได้กับเสียงกระดิ่งอันคุ้นเคยก็คือกระดิ่งของตาแปะขาประจําค่ะแกอาจจะเล็ดลอดยามเข้ามาก็เป็นได้ แต่ว่าทําไมถึงมาเอาป่านนี้หรือว่าแกมีบ้านช่องอยู่ในละแวกนี้แต่ว่าขณะที่เสียงกระดิ่งค่อยๆห่างไกลเข้าไปด้านในจนกระทั่งเงียบหายไปค่ะในขณะที่กําลังจะเคลิ้มหลับต่อก็มีเสียงกระดิ่งอันเดิมนี่แหละค่ะแววดัง <Well done. S 1> ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีท่ามกลางความเงียบเชียบเยบเือกเยน็นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามีอยู่วูบนึง คุณพี่ไพรพรรู้สึกหนาวสะท้านไปถึงหัวใจด้วยความหวัดระแวงบางอย่างพอดีเสียงกระดิ่งคุ้นหูมาดังขึ้นที่หน้าบ้านก็ดังอยู่เช่นนั้นและไม่มีวี่แววว่าจะห่างออกไปเลยปากคอแห้งผากเป็นผุยผงไปหมดแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันมีมากกว่าก็เลยทำให้ลุกจากเตียงไปแหวกม่านหน้าต่างพอมองมุงลวดไปยังถนนซอยหน้าบ้านที่มีแสงไฟฟ้าส่องให้เห็นรถซาเล้งคันนั้น ตะแเค่ะสวมหมวกแก๊ปแดงคันนั้นกำลังเงยหน้าขึ้นมามองคุณพิไลพรตรงหน้าต่างคุณพิไลพรตัวชาไปทั้งตัวเข่าอ่อนขาอ่อนแทบจะเป็นลมล้มแผลลงไป ท, งทั้งทางที่ใบหน้าอันคุ้นเคยในตาเบิกค้างมองดูใบหน้าเหี่ยวย่นยิ้มเศร้าๆก่อนโบกมือเหี่ยวแห้งเหมือนจะกล่าวคำอำลาซาเลงคันนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนห่างหายลับไปจากแสงไฟแล้วก็ม่านน้าตาของคุณพิไลพรเ อ, เองนะคะ เรื่องราวแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวที่บ้านหนองโกบ้านตะเกียงพ่อสุนทรเล่าให้ฟังนะคะว่าคนไปขายเสือขายศาสตร์นี่เกิดเคราะห์หามยำร้ายรถไปคว่ำที่โคราชตอนเที่ยงก็คือลูกเขยพาแม่ยายไปขายเสือกับหมู่คณะราวห7คนค่ะเมื่อพ่อสุนทรกลับจากนามากินข้าวเที่ยงที่บ้านก็เห็นคนตายก็คือยายข้างบ้านกันเนี่ยเดินขึ้นไปบนบ้านก็เลยถามเมียว่าเอ๊ะเห็นยายไปขายเสือขึ้นไปบนบ้านนี่ ทำไมกลับมาเร็วนักล่ะแต่ว่าเมียบอกว่าไม่ใช่เขายังไม่กลับมากันเลยจะเห็นได้ยังไงส่วนพ่อสุนทรเองก็ยืนยันว่าตนไม่ได้ตาฝาดเพราะว่าเพิ่งเห็นยายกรเดินขึ้นไปบนบ้านเมื่อตะกี้นี่เองฝ่ายเมียกลับยืนยันครัว่าผัวนี่ตาฝาดไปเองด้วยความไม่แน่ใจทั้งคู่ก็เลยชวนกันวิ่งขึ้นไปดูบนบ้านเปิดหน้าต่างออกหาแต่ก็ไม่เจออะไรเกิดสังหอนใจค่ะว่าคงจะมีอะไรร้ายๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้ พอถึงเวลา6โมงเย็นลูกเขยเขาก็กลับมาบอกว่าแม่ยายเนี่ยตายตั้งแต่ตอนเที่ยงวันนี้แล้วรถคว่มตายคนเดียวสองผัวเมียรู้ข่าวแน่ชัดก็ตกตะลึงตัวชาค่ะได้แต่หันมองศพตากันไม่เข้าใจว่ากลางวันแสกๆเหตุใดผู้ตายจึงปรากฏกายกลับมาบ้านได้ในเวลานั้นเห็นเป็นรูปเป็นร่างปกติเดินขึ้นไปบนบ้านได้ยังไง มีเรื่องนึงค่ะเกิดขึ้นที่บ้านหัวนาคำค่ะพ่อใหญ่พันธนุ์เล่านะคะว่าญาติป่วยหนักอยู่ที่อําเภอโกสุมพิสยัยขณะนั้นพ่อใหญ่พันธุ์ขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในบ้านก็ได้พบกับญาติที่ป่วยอยู่นั้นรายนี้ไม่ธรรมดาค่ะเนื่องจากว่าได้พูดคุยทักทายกันด้วยญาติผู้นั้นบอกว่ามีธุระจะไปที่อื่นก็ขอฝากลูกหลานให้ช่วยดูแลด้วยเขาจะไปสักวันที่ 15-16 นี้เอง พูดคุยกันแล้วก็เดินเข้าบ้านหายลับไปนะคะพ่อเหย่พันก็เอารถไปจอดไว้แล้วก็พูดคุยกับเมียค่ะบอกว่าพี่น้องเราจากโกสุมเข้ามาทำไมเมียบอกมไม่มีใครมาพ่อเหย่พันก็ร้องว่าเฮ้ยไม่มีได้ยังไงเมื่อสักครู่เนี่ยได้คุยกันก่อนเข้ามาในบ้านด้วยว่าแล้วก็เลยวิ่งตามเข้าไปดูในบ้านแต่ว่าไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวค่ะ พ่อเหยพัน์จึงบอกว่าผิดปกติซะแล้วจะต้องเดินทางไปโกสุมและจัดเตรียมข้าวของเพื่อเดินทางวันรุ่งขึ้นเพราะคิดว่าคงเกิดเหตุร้ายแน่นอนครั้นเมื่อรุ่งเช้าค่ะก็นํากระเป๋าขึ้นรถแล้วก็ได้แวะซื้ออาหารที่อําเภอเชียงยืนก็มีคนรู้จักเล่าให้ฟังว่าญาติที่บ้านหัวนาคำเมื่อคือนเนี่ยตายแล้วพ่อเหยพันธ์ก็รีบขับรถมอเตอร์ไซค์ไปถึงอำเภอโกสุมพิสัยถึงบ้านญาติก็เห็นได้ชัดเจนว่าเค้าเนี่ยกำลังตั้งศพ ประดับประดาไฟกันอยู่แล้วก็ดอกไม้กันอยู่แบบนี้เป็นไปได้ไงคนตายแล้วยังพูดได้ไม่ใช่เห็นแค่รูปร่างเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลายๆคนค่ะบีเชื่อว่าที่ฟังเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะคะที่บอกว่ามีคนตายมาหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โดยที่เรายังไม่รู้ว่าเขาตายเนี่ยน่านจะมีอยู่บ้างแหละ ส่วนของบีเองเนี่ยก็จะเป็นพี่สาวของยายที่สนิทกับแกมากเมื่อตอนสมัยเป็นเด็กแกก็จะให้เงินไปกินขนมตลอดนะคะแกเป็นคนใจดีคนนึงละค่ะในหมู่บ้านแต่ว่าบีอยู่กรุงเทพค่ะตอนที่แกเสียชีวิตก็ไปล่ำลาแกอยู่ตอนที่แกป่วยว่าจะไปทํางานนะจะมาเรียนหนังสือนะพอตกกลางคืนมาก็ไม่รู้ว่าเป็นเวลาผ่านไปกี่วันกี่อาทิตย์นะคะจไม่ค่อยได้ก็จะมีกลิ่นธูปได้กลิ่นธูปตลอดเลย พอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะก็ได้ยินโทรศัพท์จากทางบ้านนี้บอกว่าคุณยายเนี่ยเสียชีวิตแล้วแล้วบีก็เชื่อว่าลางสังหรณ์หรือว่าการมาส่งสัญญาณบอกกล่าวเพื่อให้อาญาติพี่น้องลูกหลานหรือว่าคนที่ผู้ซีเสียชีวิตเนี่ยยังเป็นห่วงเป็นใ ย, ยอยู่ได้ทราบค่ะวว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วน่าจะเคยเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังที่ฟังพระเจอผีเนี่ยหลายๆท่านคงจะเคยมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้กับตัวเองเช่นกันค่ะ โรงพยาบาลเป็นสถานที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่ามีคนตายเยอะแยะเรื่องนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดจากโรงพยาบาลเช่นกันค่ะวันนั้นเราอยู่บ้านที่บ้านก็มีกินเลี้ยงเล็กๆระหว่างญาติพี่น้องแล้วก็ขณะที่กําลังคุยกันไปกินกันไปอยู่นั้นก็มีพวกเด็กเล็ก ก็วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานน้องคนเล็กสุดถือแก้วเดินไปเดินมาแล้วก็สักพักก็ไปหยิบปากขวดที่แตกเป็นปากฉลามที่ผู้ใหญ่วางไว้ข้างรัว้วนางก็หยิบแล้วก็เดินเดินมาแม่น้องเห็นก็เลยรีบวิ่งเข้าไปจะเอาขวดแตกออกจากมือลูกจังหวะเดียวกันกับขวดที่กำลังจะหล่นลงจากมือพอดีนะคะแม่เด็กก็เลยเอามือไปรองปากฉลามก่อนที่มันจะตกลงแล้วก็ทิมเท้าเด็ก ปรากฏนะคะว่ามันจุก ค, ค่ะเลือดเต็มมือแผลแล้วก็กว้างพอสมควรทําแผลเองไม่ได้ก็ต้องไปโรงพยาบาลตอนกลางคืนค่ะก็เลยต้องไปกับเขาด้วยพอถึงโรงพยาบาลก็เข้าห้องเอไอทำแผลเย็บหลายเข็มมากหมอก็ให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวจะอักเสบแล้วก็ไข้ขึ้นคุณแก้วเป็นผู้โชคดีได้เฝ้าพี่สะพ้ายคืนแรกก็นอนห้องรวมเพราะว่าไม่มีเตียงว่างเลย แต่ว่าช่วงเย็นเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ห้องพิเศษแล้วก็เลยได้ย้ายคนไข้เข้าห้องนะคะลักษณะห้องก็จะเป็นประตูห้องน้ำหันหน้าเข้าหาประตูทางเข้าห้องพอดีมีทีวีตู้เย็นระเบียงอยู่ตรงด้านหัวนอน คุณแก้วเก็บของเสร็จเรียบร้อยก็ขออาบน้ําก่อนพอค่ำๆเจ้าตัวเล็กเด็กต้นเรื่องเนี่ยก็มาหาแม่เขาพอจะกลับนางก็งองแงขออยู่ด้วยก็เลยปล่อยคุณแก้วกับหลานก็เลยปูผ้านอนข้างเตียงคนป่วยนั่นแหละนะคะพอตกดึกค่ะก็เคลิ้มหลับมีเจ้าหน้าที่เดินมาเคาะห้องวัดไข้เขาบอกพี่สไปซว่าไม่มีไข้พรุ่งนี้ได้กลับบ้านแน่นอนแล้วก็ชวนหลานของคุณแก้วนี่ออกไปนอนกับเขาแต่ว่าหลานไม่ไปค่ะเขาก็พยายามจะตือ้อ แต่ว่าในที่สุดนะคะเขาก็เดินออกไปคุณแก้วก็เตรียมตัวจะนอนเจ้าตัวเล็กก็ลุกขึ้นมาทำท่าเล่นจ๊ะเอ๋คุณแก้วก็คิดว่าหลานเนี่ยเล่นกับคุณแก้วก็เลยบอกนอนนอนเดี๋ยวพยาบาลมาฉีดยาคุณแก้วก็ใกล้จะหลับแล้วค่ะพี่สภายก็เลยเรียกให้ดูน้องหน่อยน้องเดินเข้าห้องน้ำคุณแก้วก็เลยลุกไปคุยลุกไปดูนะคะก็เห็นหลานเนี่ยคุยกับใครไม่รู้หันมาบอกว่า พี่พามาฉี่แล้วพี่พามาฉี่แล้วคุณแก้วนี่งงเลยสิคะแต่ว่าในใจก็เริ่มหลอนล่ะแต่พอพาน้องออกมาน้องก็ไม่นอนน้องก็เล่นจ้าเอะบอกเล่นกับพี่ก็เลยบอกออกไปว่าแค่มารักษาตัวนะไม่ได้มาแย่งที่แย่งทางอะไรพรุ่งนี้ก็คงจะกลับแล้วจากนั้นน้องก็นอนคุณแก้วก็หลับมาสะดุ้งตื่นอีกทีหนึ่งเพราะว่าพี่สะพายเนี่ยลงมานั่งกอดน้องแล้วก็ร้องลั่นตึกเลยนะคะตกใจมากคุณแก้วบอก พยาบาลวิ่งเข้ามาเห็นพี่สะพายเลือดเต็มมือแผลที่เย็บเหมือนมันฉีกขาดพยาบาลจะรีบทําแผลแล้วก็ห้ามเลือดพี่สะพายไม่ปล่อยน้องเลยก็กอดอยู่ตลอดเวลาจนคุณแก้วต้องไปแกะอาน้องออกมาแถมยังบอกว่าอย่าปล่อยตัวน้องนะให้กอดเอาไว้และให้โทรหาพี่ชายด้วยแล้วก็ขอย้ายโรงพยาบาลไม่งั้นน้องตายแน่คุณแก้วก็เลยจําเป็นต้องโทรหาพี่ชายค่ะ เกือบ40นาทีพี่ชายมาถึงแต่ยังย้ายออกไม่ได้ต้องรอหมอเจ้าของไข้ก่อนพี่สะพายไม่เข้าไปรอที่ห้องนั้นแต่ออกมารอที่ระเบียงเคาน์เตอร์พยาบาลแทนระหว่างรอหมอแกก็ยอมเล่าให้ฟังแกบอกว่าอตอนที่หลับเนี่ยได้ยินเสียงน้องแตงกวานะคะก็คือชื่อหลานหวัวเราะก็เลยลืมตา ม, มาดู เห็นน้องแตงกวา น, นอนบนโซฟาบนตักผู้หญิงคนหนึ่งผมซอยสั้นมีแผลเป็นยาวบนใบหน้าค่ะซึ่งดูยังไงก็ไม่ใช่คนแล้วล่ะและทีนี้เนี่ยคุณแก้วนี่นอนอยู่ข้างโซฟาข้างเท้าผู้หญิงคนนั้น ก็เลยเรียกคุณแก้วเรียกยังไงก็ไม่ตื่นเรียกแตงกวาแตงกวาก็ไม่สนใจก็นอนหัวเราะพอแกเรียกหนักเข้าผู้หญิงคนนั้นหันมามองหน้าแล้วซีกที่หันมานี่มันยุบหายไปทั้งแถบเลยพร้อมกับสยียยิ้มแล้วก็มีเสียงออกมาโดยที่ไม่เห็นว่าเขาขยับปากบอกเด็กคนนี้น่ารักขอเอาไปเลี้ยงนะ แล้วก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเอาผ้าของโรงพยาบาลมาจะรัดคอแตงกวาค่ะก็เลยกระโดดลงจากเตียงมาดึงจะมาดึงลูกแต่คว้าเท่าไหร่ก็ไม่ถึงตัวของแตงกวาสักทีหนึ่งคว้าได้แต่เสาน้ําเกลือจนเห็นว่าแตงกวาเนี่ยเริ่มดิน้นก็เลยนึกถึงคุณพระศรีรัตนไตายนึกบทสวดอันไหนได้แก่ท่องหมดเลยจนสุดท้ายแกบอกถ้าไม่ปล่อยลูกกูกูจะแช่งให้ทุกทรมานมากกว่าที่เป็นอยู่ร้อยเท่าพันเท่าจะแช่งให้ตกนรกขุมที่ลึกและทรมานที่สุด พอแกนึกจบก็คว้าแตงกวามากอดไว้ได้แล้วก็ร้องลั่นนั่นแหละค่ะพอแตงกวาหันอพอหันมาถามแตงกวาเด็กน้อยก็บอกพี่คนนั้นใจดีเล่านิทานให้ฟังแล้วก็เอาสร้อยดอกไม้สวยๆมาใส่คอให้หนูด้วยแต่กลิ่นมันแรงมากจนเกือบหายใจไม่ออก ผู้ช่วยพยาบาลที่นั่งฟังน่าเสียเลยค่ะแกบอกว่าคนที่พี่สไปซยเจอเนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าผู้ช่วยคนเก่าแกขึ้นไปตากผ้าช่วงที่มารับเวรที่ดาดฟ้าชั้นเจ็ดของตึกไปเจอเด็กเล็กลูกแม่บ้านที่ขึ้นมากับแม่เด็กกำลังจะไปเก็บของเล่นข้างนอกระเบียงดาดฟ้าแกก็เลยปีนออกไปเก็บให้แต่ว่าพลัดตกลงมาหน้ากระแทกลูกกรงชั้น5แล้วก็ชั้นสี่ แล้วก็ชั้นสจนมาค้างอยู่กับเหล็กแหลมลูกกรงระเบียงชั้นสองตรงห้องที่คนป่วยนอนนั่นแหละนะคะคนป่วยถ้าไม่มีเด็กก็ไม่เคยเจออะไรนะแต่ถ้ามีเด็กก็จะเจอแบบนี้ทุกรายและที่ให้พี่สะภ้ยอยู่ก็เพราะเห็นว่าไม่มีเด็กก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรคุณแก้วบอกนี่ขนหัวลุกหมดเลยไม่กล้าดเดินไปเข้าห้องน้ำหรือทำอะไรเลยต้องรอจนพี่สะภ้ายย้ายโรงพยาบาลเลยล่ะค่ะ